Book 2 <38 S> 3สาสในรถแ ท, ท, ท็กซีก่ช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยครับไปสถานีราคาเท่าไหร่ครับ ไปสนามบินราคาเท่ า, ห า, า, าไหร่ครับคุ้ไปสานามบินราคาเท่าไหร่ครับไปสนามราคาเท่ไหครับปาราาเไหครับนามบินราคาเร่ับนามบินราคาเร่ครับไนามบราาเหร่ันามรครับ ผมรีบพอหน้รียนซผมมีเวลาม้ำฉาสกรุณาขับช้าลงได้ไหมครับยัสย i เ e ่โปริมปอมมียรุณาจอดรถที่นี่ครับซตอุยปซิ กรุณารอสักครู่นะครับเเดี๋ยวผมกลับมาครับขอใบเสร็จให้ผมด้วยครับผมไม่มีเงินทอนไม่เป็นไร ที่เหลือนี่ให้คุณครับขับไปส่งผมตามที่อยู่นี้ครับ Katherine ขับไปส่งที่โรงแรมของผมด้วยครับขับไปส่งผมที่ชายหาดครับ Katherine